บทที่56การเกิดเป็นทุกข์ฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วหลวงพ่อแพรและท่านพระครูก็เตรียมไปชมวัดกระนิยะโดยพระนักศึกษาจากประเทศไทยที่มาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาเป็นมักคุเทศพระนักศึกษาคณะนี้มีด้วยกันห้ารูปหัวหน้าคือพระครูบุญมี ผู้ซึ่งมาสีลังกาก่อนรูปอื่นๆคณะนี้กำลังเรียนปริญญาเอกพิกษุท์ทั้งห้ารูปจำพรรษาณนะเมืองโคลมโบโดยแยกย้ายกันอยู่ตามวัดต่างๆวัดละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างเมื่อทราบว่ามีคณะเดินทางมาจากประเทศไทยก็จะมาช่วยเป็นมัคุเทศให้ออกจากอารามที่พัก ภิกษุชาวไทยเจ็ดรูปก็ตรงไปยังโรงแรมที่คฤรืหัดทั้งแปดคนพักอยู่การเดินทางใช้รถบัสขนาด25ที่นั่งซึ่งบริษัทการท่องเที่ยวได้ติดต่อเช่าวไว้สำหรับเป็นพาหนะตลอดเวลาสวันที่พำนักอยู่ในประเทศนี้นอกจากโชเฟอร์ซึ่งทำหน้าที่ขับรถแล้วก็มีเด็กหนุ่มอีกสองคนคอยดูแลรับใช้ในระหว่างการเดินทาง คนทั้งสามล้วนเป็นชาวสิงหลนและนับถือพระพุทธศาสนาส่วนพวกทมินหิ น, นชาตินั้นนับถือาศาสนาฮินดูและมักจะทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวพุทธเมื่อครือหัดมานั่งในรถเรียบร้อยแล้วพระครูบุญมีก็สั่งให้คนขับเคลื่อนรถออกจากโรงแรมตรงไปยังวัดกระเนยะท่านพูดภาษาสิงหลได้คล่องแคล่วกว่าภิกษุอีกสี่รูป สมภารวัดป่ามะม่วงพยายามฟังและพอจับใจความได้บ้างเพราะเคยเรียนภาษาสิงหโหนจากหลวงปู่นาควัดระคังขณะนั่งรถวิ่งไปตามถนนเรียบชายฝั่งทะเลพระครูบุญมีก็ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้แก่คณะเดินทางประเทศศรีลังกาเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ในมหาสมุทรอินเดียมีประชากรสิบล้านซึ่งก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะไทยเรามี25ล้านชาวลังกาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มคนสิงห์นซึ่งคนกลุ่มนี้นับถือพระพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกทมินหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพวกทมินหิ น, นชาติ เป็นปฏิปักกับกลุ่มแรกคนธมินนับถือศาสนาฮินดูพวกที่นับถือพระพุทธศาสนามีประมาณร้อยละ68ของประชากรทั้งหมดร้อยละ15เป็นฮินดูที่เหลือเป็นคริสกับอิสลามถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วของเรามีชาวพุทธถึงร้อยละ97แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผิดกับประเทศศรีลังกาที่เขายกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำชาติโดยมีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องมีข้อฝากพวกท่านนำไปคิดต่อด้วยว่าเราควรจะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้กันหรือไม่ควรอย่างยิ่งคะ่ะ ในฐานะที่ฉันเป็นนายกพุท ธ, ธสมาคมแห่งประเทศไทยฉันจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการมอมเจ้าหญิงพูลพิสมัยทรงมีรับสั่งสมภารวัดป่ามะม่วงช่วยเสริมว่าขออนุโมทนากับโยมมอมเจ้าอัตมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของไทยเรานับถือพุทธศาสนามานานโดยตลอดและพระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ท่งเป็นพุทธมามักกะถ้าเช่นนั้นที่เราเรียนกันในวิชาหน้าที่พลเมืองว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ผิดกฎหมายมาโดยตลอดนะสิครับแบบนี้น่าจะดาเนินการทางกฎหมายกับคนที่เขียนตำราโทษฐานหลอกลวงประชาชนนายสมพรผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายยกยุวะพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยออกความเห็นบ้างเขาเป็นผู้เดียวที่พวกภรยามาด้วยนอกนั้นมาเดียวคือถ้าสามีมาภรยาไม่มาถ้าภรยามาสามีก็ไม่มาเพราะคิดกันรอบครอบแล้วว่าถ้าเกิดเครื่องบินตกก็ยังมีคนหนึ่งอยู่เลี้ยงลูกทว่านายสมพรกับภรยาคงลืมคิดเรื่องนี้จึงมาคู่ กลับไปดิฉันจะนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพระวินิจฉัยจากพระองค์ท่านอาจารย์เนื่องอิมสมบัติผู้อาวุโสที่สุดในคณะพูดขึ้นอาจารย์เป็นโยมอุปถาม์ของสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่พระองค์ยังเป็นสมเด็จวัดราชบอบพิศดีใจโยมช่วยกันคนละมือละไม้ เพื่อพระพุทธศาสนาของเราจะได้ยืนยงคงอยู่ประเทศไทยตลอดไปพระครูบุญมีสรุปแล้วจึงบรรยายต่อประเทศสีลังกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับประเทศไทยเรานายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันเป็นผู้หญิงชื่อนางสริมาโวบันดารานายกเกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกดำรงตำแหน่งสมัยแรกระหว่างปีพุทธศักราช2500ถึง2504หลังจากนายกรัฐมนตรีคือนายบันดารานายกเกผู้เป็นสามีถูกพระชื่อโสมารามเทระ แห่งวัดโบเรลลายิงตายเมื่อปีพุทธศักราช2500นางสริมาโวก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนทันทีปัจจุบันนางสริมาโวดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองสีลังกามีเมืองหลวงชื่อโคลัมโบคือเมืองที่พวกเราอยู่กันขณะนี้นอกจากนั้นยังมีเมืองหลวงในอดีตอีกสาเมืองคือ อนุราทปุระซึ่งมีต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พระภิกษุณีสังฆมิตราพระธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงนำกิ่งมาจากต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเมื่อประมาณปีพุทธศักราช236ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็สองพันกว่าปีแล้วเมืองหลวงแห่งที่สองคือโปเลนารุวาเมืองนี้ ก็มีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่คณะของเราจะไม่มีเวลาแวะชมเพราะเวลาจำกัดเมืองหลวงแห่งที่สามคือสิริรัตนปุระหรือเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐสถานพระเกี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำหนดการท่านจะไปนมัสการพระเกี้ยวแก้วในวันพรุ่งนี้ มรืนนี้จึงเดินทางกลับประเทศไทยขณะนั้นรถบัสได้แล่นมาถึงวัดกระเนิยและจอดยังลานจอดรถเมื่อพระสงค์เจ็ดรูปกับครือหัดทั้งแปดลงจากรถแล้วพระครูบุญมีจึงเดินนำคณะเข้าไปชมวัดพร้อมทำหน้าที่บรรยายไปด้วยประมาณปีพุทธศักราชสองพันรพวกทมินหินนาชาติได้จับพระเนนมาขังไว้ที่วัดนี้ พวกเขาต้องการจะทำลายล้างถอนรากถอนโคนให้พระพุทธศาสนาหมดไปจากศีรลังกาได้ฆ่าพระเนรไปจำนวนนับหมื่นรูปยังผลให้สมณวงในลังกาสูญสิ้นไปเหลือแต่สมณเนรรูปหนึ่งซึ่งท่านหลบภัยเข้าไปอยู่ในป่าและกลับออกมาเมื่ออายุห้าสิบเศษนับเป็นเนรที่อายุมากที่สุดพระเจ้ากิติสิริราชสิงหะ ซึ่งเป็นพระมาหากษัตริย์ของศรีลังกาในเวลานั้นได้ส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาทูลขอคณะสงฆ์ไทยไปทําการบรรพชาอุปสมบทให้กับชายศรีลังกาซึ่งขณะนั้นรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าบ ร, รมโกศพระองค์ทรงมีรับสั่งให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ทรงเลือกพระเนนที่จะส่งไปศรีลังกาสมเด็จพระสังฆราชทรงเลือกพระอุบาลีเถระเป็นหัวหน้า สมณทูตคณะนี้เดินทางโดยเรือของฝรั่งชาติฮอลันดามีพระภิกษุสามเณรเดินทางมาด้วย25รูปเป็นพระ18รูปเนน7รูปใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนกับ21วันแต่หลักฐานทางศีลังกาบันทึกไว้ว่าใช้เวลาเดินทางหเดือนกับสี่วันอัตมาก็ไม่ทราบว่าหลักฐานฝ่ายไหนถูกต้องเพราะเกิดไม่ทัน ผู้ทำหน้าที่บรรยายพูดติดตลกผมว่าเราเป็นคนไทยก็ต้องเชื่อหลักฐานฝ่ายไทยไว้ก่อนดีกว่านายสมพรออกความเห็นอัตมาก็คิดอย่างนั้นเพราะคนลังกาเขาเชื่อหลักฐานฝ่ายเขาพระครูบุญมีสนับสนุนแล้วจึงบรรยายต่อคณะของท่านอุบาลีได้มาอุปสมบทสามเณรรูปเดียว ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งขณะนั้นท่านอายุห้าสิบสี่ปีชื่อสมเนนสารนังกรท่านจึงเป็นภิกษุลังการูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ไทยในวันเพ็ญเดือนแปพุทธศักราช 2,296 คณะสงฆ์ไทยชุดนี้อยู่ที่ศีลงกาประมาณสี่ปีได้อุปสมบท ชาวลังกาเป็นภิกษุบาหกพันรูปชาวลังกาเรียกสงฆ์นิกายนี้ว่าสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์พระอุบาลีได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสยามโมบาลีมหานิกายซึ่งชื่อนี้มาจากคำว่าสยามสนธิกับอุบาลีพลดอุเป็นโอจึงเป็นสยามโมบาลีส่วนมหานิกาย แปลว่านิกายใหญ่เมื่อคณะที่มาจากประเทศไทยชมวัดและสักการะพระพุทธรูปในวัดเสร็จแล้วมักุเทศก็แจ้งว่าที่เหลือเวลาอีกสองชั่วโมงให้สาวเสียงกันว่าจะไปชมสวนสัตว์หรือจะไปชมวัดเจดีกลวงที่กาลุตระพระนักศึกษาสี่รูปรีบให้ข้อมูลว่าควรจะไปชมสวนสัตว์ เพราะจะได้ดูช้างเต้นระบำแล้วก็มีการแสดงของสัตว์นานาชนิดซาวเสียงกันแล้วปรากฏว่าผู้ต้องการไปวัดเจดีกลวงมีเพียงสามเสียงคือท่านพระครูหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยและอาจารย์เนืองอีกหกเสียงต้องการไปชมสวนสัตว์ส่วนหลวงพ่อแพรไม่ยอมออกเสียงโดยให้เหตุผลว่าถ้าเสียงเท่ากัน จะทำให้ยุ่งยากท่านจึงจำต้องนอนหลับทับสิทธิ์เป็นอันว่าเราจะไปชมสวนสัตว์กันนะครับหลวงพ่อพระครูบุญมีพูดกับหลวงพ่อแผ่ไปไหนก็ไปกันฉันไม่ขัดข้องเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีบอกหัวหน้ามัคุเทศภิกษุวัยสี่สิบเต็มซึ่งนำคณะไปขึ้นรถบอกคนขับให้มุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์ ซึ่งอยู่กลางใจเมืองโคลัมโบ20สบนาทีให้หลังรถบัสก็มาจอดหน้าสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของสีลังกาก่อนลงจากรถพระครูบุญมีเตือนว่าสวนสัตว์กว้างมากพยายามอย่าแตกกลุ่มประเดี๋ยวจะหลงแต่ถ้าใครเกิดหลงก็ให้เดินกลับมาที่รถจำเลขทะเบียนรถไว้หรือถ้าเกิดหารถไม่เจอ ให้ไปพบกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเข้าใจตามนี้แล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าและเชิ ญ, ญญาติโยมลงจากรถได้เราจะต้องเดินทางเข้าไปอีกประมาณ200เมตรอย่าลืมเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีจะได้ไม่หลง จากนั้นภิกษุ7รูปกับครือหัดทั้ง8ดก็ลงจากรถและเดินไปยังประตูสวนสัตว์ซึ่งอยู่ห่างจากที่จอดรถประมาณ200เมตรสองข้างทางเป็นบ้านคนท่านพระครูสังเกตว่าบ้านแต่ละหลังมีธงปักอยู่ที่หน้าบ้านบ้านละหนึ่งอันบ้างสองอันบ้างถ้าอันหนึ่งจะเป็นธงฉับพันนลังสีถ้าสองอันจะเป็นธงฉับพันนังสีอันหนึ่งธงรูป สิงอันหนึ่งจึงขอคำอธิบายจากพระครูบุญมีบ้านที่ปักธงสองอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวพุทธธงฉัพนารังสีเป็นธงชาติของสีลังกาส่วนธงรูปสิงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของประเทศสีลังกาพระมะกุเทศอธิบายเดินกันได้ประมาณร้อยเมตร ท่านพระครูก็เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันจึงบอกพระครูบุญมีว่าท่านพระครูช่วยพาผมไปห้องสุขาหน่อยผมปวดท้องเหลือเกินสงสัยโรตีทำพิษเมื่อเช้าท่านฉันโรตีไปสามแผ่นเพราะไม่มีข้าวให้ฉันท้องท่านคงไม่คุ้นเคยกับอาหารแขกกระมังผมไม่ทราบว่าห้องสุขาอยู่ที่ไหน เพราะผมเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองเมืองแขกหาห้องสุ ข, ขายากซสีด้วยสิถ้ายังไงท่านกรั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันผมจะรีบพาคณะไปดูการแสดงของช้างนี่ก็จวนเวลาแล้วพระครูบุญมีไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญทั้งยังบอกคณะให้เร่งฝีเท้าด้วยเกรงจะพลาดชมการแสดง เห็นเพื่อนบรรปชิตไม่สนใจใยดีในทุกสุขของท่านเช่นนั้นท่านพระครูก็นึกถึงสมเด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคาสอนของพระองค์อัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปัโรสยาท้องของท่านปั่นปวนหนักขึ้นจนดูเหมือนว่าจะกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้วท่านพยายามทำจิตให้สงบด้วยการกาหนด ปวดท้องหนอปวดท้องหนอหากสิ่งที่อยู่ในท้องไม่ยอมสงบด้วยถ้าทางมันดื้อรัน้นดึงดันจะออกมาดูโลกซิ่ให้ได้เดี๋ยวนั้นภิกษุวัยส3ทุกสุดจะทุกหากก็พยายามนึกถึงคำสอนของสมเด็จพ่ออะไรนะที่เกี่ยวกับทุกอ๋อนึกออกแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ย5ห้า ในหน้าที่221หน้าแปลกที่ท่านจำได้ทั้งที่ปวดท้องอยากถ่ายใจแทบขาดการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ว่าทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอุจจระปัสวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้ สัมผัสสัตราเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้ท่านพระครูได้รู้ตระหนักด้วยตนเองในบัดนี้แล้วการเกิดเป็นทุกจริงหนอเราจะต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานจะได้ไม่ต้องเกิดอีกโท่เอ๋ยนี่และหนออุจระก็เป็นทุกข์พระมววคิดกังวลเรื่องนี้ท่านจึงเดินลางท้าย ครั้นเห็นว่าคนอื่นๆเดินทิ้งท่านไปไกลจึงคิดเดินกลับเพื่อจะหาห้องสุขาได้พอเดินกลับมาได้ไม่เท่าไหร่ก็หันกลับไปทิศเดิมเดินตามเข้าไปอีกเมื่อเห็นว่าท่าทางจะไปไม่รอดก็หันหลังกลับอีกเลยเดินไปเดินมาอยู่เดงนี้จนเหงื่อแตกท่วมใบหน้าปวดจนหน้าเขียวหน้าเหลือง เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งรู้ว่าทุก์เพราะอุจจระนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าหากโดยสารเรยงมาก็พอจะหากระบุงโกยครอบศรีรษะแล้วนั่งถ่ายท้ายเรือได้แต่นี่เป็นเมืองแขกจะไปหากระบุงโกยได้จากที่ไหนทำอย่างไรดีเนอและแล้วท่านก็นึกได้ว่าควรทำอย่างไรโยมยายเคยสอนว่า คนทำความดีจะร้อนถึงพระอินทร์ส่วนคนทำความชั่วจะร้อนถึงย ม, มาบาลถ้ำตาแต่ความดีน่าจะร้อนถึงอาจพระอินทร์บ้างว่าแล้วก็ยืนนิ่งสำรวมจิตมือทั้งสองยกขึ้นในท่าประนมแจ้งข่าวแก่พระอินทร์ว่าข้าแต่เทา้าศักกรินเทวราชข้าพเจ้าชื่อพระครูเจริญจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง กำลังทุกข์ทรมานด้วยการปวดท้องจากคลอดบุตรขอให้ท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ได้คลอดโดยสะดวกด้วยการหย่อนซ่วมลงมาให้หากท่านทำให้ข้าพเจ้าต้องคลอดบุตรออกมาเลอเทอะเปลือเปือนจนต้องอับอายขายหน้าข้าพเจ้าจะไม่สร้างซ้วมอีกต่อไปจะกลับไปทุบซ้วมที่วัดทิ้งให้หมดแต่ถ้าท่านช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ในคราวนี้ ข้าพเจ้าจะไปสร้างซ่วมเพิ่มอีกยี่สิบห้องเจ้ารอยพระอินจะทรงทราบจึงทรงหาวิธีสงเคราะห์แต่ไม่ใช่ด้วยการหย่อนซ่วมลงมาตามที่ท่านขอเพราะไม่ใช่เรื่องปฏิหารนายรัตนะโคตะเสนาอธิบดีแห่งเมืองโคลัมโบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านเกิดร้อนนอกร้อนในจนมิอาจนั่งทนอยู่ได้ เครื่องปรับอากาศเย็นชํำก็ไม่สามารถดับความร้อนใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจึงวางหนังสือพิมพ์แล้วเปิดประตูออกมายืนอยู่หน้าบ้านมองออกไปยังถนนฝั่งตรงข้ามเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกลับไปกลับมาท่าทางร้อนรนผิดปกติจึงเดินเข้ามาบ้านมาหยิบกล้องส่องทางไกลไปส่องดู เพื่อต้องการทราบเหตุผลว่าท่านเดินกลับไปกลับมาทำไมคร้นเห็นหน้าท่านชัดเจนก็รู้ทันทีว่าท่านกำลังมีทุกข์อย่างหนักจึงเดินข้ามถนนไปหาส่งภาษาสิงห์หนถามว่าพระคุณเจ้าท่าทางร้อนรนนะครับเงือท่วมตัวเลยนิมนต์ส่งน้ำที่บ้านผมก่อนเถอะครับแล้วเดินนำหน้าท่านมายัางบ้านของตนท่านพระครู พอจะเข้าใจที่เขาพูดจึงเดินตามบุรุษนั้นไปทันทีในใจคิดว่าเท้าสักกะเทวรา ช, ช่วยเราแล้วครั้นถึงบ้านบุรุษนั้นชี้ไปที่ห้องน้ำพร้อมกล่าวเชื้อเชิญ น, นิมนต์สงน้ำให้หายร้อนก่อนนะครับนี่กระจวนเพลแล้ว กระผมข อ, อนิมนต์ฉันเพนที่บ้านนี้เพื่อเป็นสิริมงคลท่านพระครูดีใจเหมือนได้แก้วท่านกล่าวคำขอบใจบุรุษนั้นด้วยภาษาสิงหนซึ่งเพิ่งนึกออกพอดีและจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำแม่เจ้โวยส่วนพระอินทร์ปูพรมและก็ติดแอร์ด้วยท่านมองไปรอบๆห้องขนาดสามคูณห้าเมตรซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อ่างล้างหน้าสะอาดสะอ้านเป็นเงาวาววับมีแจกันใส่ดอกกุหลาบสีเหลืองประจำและมีหนังสือพิมพ์วางอยู่บนหิ้งที่เราผ้าผ้ามีผ้าอาบน้ำและผ้าเช็ดตัวผ้าอยู่แสดงว่าบ้านนี้คงมีพระสงฆ์ไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำเจ้าของบ้านจึงนำผ้าอาบน้ำและผ้าเช็ดตัวมาแขวนไว้ในห้องน้ำ ตอนเดินเข้ามาท่านมั่นใจว่าต้องเป็นบ้านชาวพุทธเพราะเห็นธงปักอยู่ที่หน้าบ้านสองอันเดินเข้าไปยังโถส้วมซึ่งสะอาดปราศจากกลิ่นแล้วจึงบอกบุตรในคันว่าลูกเอย๋ยพ่อจะคลอดเจ้าแล้วนะเจิญออกมาได้พระอินหย่อนส้วมลงมาให้เราแล้วทว่าบุตรในครันก็ทําท่าว่าจะคลอดกลางถนนกลับนอนนิ่งไม่ไหวติง ทั้งอาการปวดเมื่อสักครู่หายไปเ ป, ปราวปิดทิ้งท่านพระครูรู้สึกเฉวนิดๆจึงต่อว่าตอขานที่อย่างนี้แล้วไม่ยอมออกมาดูโลกยังไงยังไงข้าก็ไม่เชื่อใจเองจะต้องพยายามให้เองออกมาให้จงได้ท่านใช้ความพยายามสักพักบุตรในคันก็คลอดออกมาแต่โดยดีไม่ต้องมีหมอตำแย่จากนั้นจึงสงน้า ซึ่งมีน้ำร้อนและน้ำเย็นให้เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนุ่งห่มผ้าสามผืนหยิบหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาพลิกๆดูแล้วก็วางไว้ที่เดิมเมื่อท่านเปิดประตูออกมาแทนที่จะเห็นเจ้าของบ้านและภรรยาเตรียมอาหารไว้แล้วนิมนต์ฉันเพลนครับจากนั้นพระคุณเจ้าจะไปไหนผมจะขับรถไปส่ง เขาแสดงความมีอัธยาศัยไมยตรีอันดียิ่งอตาตมาจะไปประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติท่านพูดด้วยภาษาสิงห์หนแม้เสียงจะฟังดูแปลงๆหากบุรุษนั้นก็เข้าใจจึงเรียนท่านว่าผมจะต้องไปประชุมที่นั่นเหมือนกันเริ่มประชุมบ่ายสองโมงนิมนท์ท่านฉันเพลและจำวัดสักชั่วโมงแล้วค่อยไปก็ทันนิมน์ครับ แล้วเขาจึงกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลีให้ภรรยาว่าตามจากนั้นสองสามีภรรยาจึงช่วยกันประเค้นพัฒหารภิกษุอคันตุ ก, กะพิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเมื่อเสร็จท่านก็กล่าวอนุโมทนากถาด้วยภาษาบาลีสนทนากับเจ้าของบ้านพอสมควรแล้วเขาจึงนิมนต์ให้ท่านพักผ่อน ปกติจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงท่านไม่จำวัดตอนกลางวันแต่สำหรับวันนี้ท่านควรจะทำตามที่โยมเขานิมนต์ถือเส้ยว่าเป็นการพักหลังคลอดท่านเห็นจะต้องจดจำประสบการณ์ครั้งนี้ไปจนตลอดชีวิตเมื่อนายรัตนะโคตะเสนาพาพระครูจเจริญมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติ พระครูบุญมีรายงานว่าได้พาคณะไปชมช้างเต้นระบำและพากลับมารับรประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทว่าถึงโรงแรมเมื่อเลยเที่ยงไปแล้วภิกษุทั้งหรูปจึงไม่ได้ฉันเพลงท่านพระครูอยากจะพูดออกมาว่าสมน้ำหน้าทว่าท่านไม่พูดได้แต่บอกว่าพอดีโยมเขานิมนต์ไปเข้าห้องน้ำและถาวายเพลงด้วย ฉันเพนเสร็จเขาก็นิมนต์ให้พักผ่อนผมเลยได้หลับไปงีบหนึ่งตื่นแล้วก็มานี่แหละภิกษุหกรูปฟังแล้วให้นึกอิกจฉาสมภารวัดป่ามะม่วงเย น, นักอิกจฉาที่ท่านได้ฉันเพน